สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบา น, นครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สี่ร้อยสามสิบสองเรื่องชีวิตในพระวิญญาณครั้งที่สามพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะเปิดประเด็นหัวข้อที่จะพูดเรื่อง hot อ s ชชูหน่อยนะครับก็คือประเด็นที่ว่าการมีพระวิญญาณบริสุทธิกับการรับบัพติมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธินั้นเหมือนกัน แตกต่างกันอย่างไรเรื่องครับผมอยากจะทบทวนพระราชกิจหลักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนชีวิตในพระวิญญาณทบทวนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นบังเกิดใหม่พระวิญญาณมีส่วนครับจนกระทั่งถึงจุดจบชีวิตของคริสเตียนในโลกนี้พระวิญญาณก็มีส่วนเพราะฉะนั้นเราที่เป็นคริสเตียนมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์และ พึ่งพิงในภาคธุรกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราไม่เพียงแต่เราแต่ละคนต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สักจกเมื่อเรารวมตัวกันก็ต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันเพียงครับอัครุเปาโลได้เขียนและวางหลักการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราเห็นชัดเจนครับและเราก็สามารถที่จะติดตามกลับย้อนกลับไปที่ชีวิตของพระเยซูที่เราทั้งหลายได้เรียนรู้มาเราก็จะพบว่า อ, อันนั้นก็เป็นการาร่วมมือร่วมไม้กันระหว่างองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสอนพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสอนให้เรารู้เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์และองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูนั้นก็ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราพี่น้องครับดังนั้นเองการรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราหรือการเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาประทับในชีวิตของคนที่รับเชื่อ นั่นคือเรื่องเดียวกันครับแต่จะเป็นเรื่องเดียวกันกับการรับอรมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าโปรดติดตามอันที่จริงแล้วการรับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ใน ช, ชีวชิตของเราหรือการเชิญพระเยซูเข้ามาประทับใน ช, ชีวิตของเร า, า, เ, รร เ, ร า, าเมื่อเรารับเชื่อบังเกิดใหม่นั้นก็คือการเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาประทับ Talking ในชีวิตของเรานั่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเยซู พระเยซูเสด็จเข้ามาในใจเราเป็นแบบไหนครับเป็นอยู่ในรูปแบบของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นการรับพระธรรสถานพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการรับพระวิญญาณนะครับก็คือการที่เรากลับใจใหม่นะทีนี้พอเรากลับใจใหม่บังเกิดใหม่เราได้รับการขนานนามว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราแล้วคริสเตียนหรือคนที่บังเกิดใหม่นั้น ต้ถือว่าเป็นคริสเตียนแท้ครับเป็นลูกของพระเจ้าแล้วถามว่าในชีวิตของเขานั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าคําตอบคือมีแน่นอนนะพี่น้องต้อไม่สับสนเรื่องนี้นะครับเวลาเรารับเชื่อพระเยซูเวลาเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเวลาที่เราอธิษฐานกับใจสารภาพบาปรับการให้อภัยแล้วเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าครับคําตอบคือใช่ แต่เมื่อเราเปิดใจตอนรับพระเยสุริตเข้ามาในชีวิตนั่นหมายความว่าเรากําลังรับพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตนั่นเองแต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอันนี้แหละครับเขาเรียกแตกต่างกันนะครับบางคนบอกว่ารับพระวิญญาณบางคนบอกรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณนะครับพี่น้องครับเมื่อเราสงตรยนี้ผมอยากจะเคลียร์พี่น้องให้ชัดเจนนะครับสําหรับบางท่านที่มาจากค่ายที่ ห <muitas> รือว่าเน้นพระวิญญาณนะครับก็มักจะบอกกับค่ายที่ไม่เน้นพระวิญญาณก็แสดงว่าเราแยกกันเพราะเนื่องจากว่ามีฝ่ายหนึ่งเน้นพระวิญญาณมีฝ่ายหนึ่งไม่เน้นพระวิญญาณในขณะที่บางกลุ่มบางก้อนนะครับหนักหนักหนาสาหัสมากกว่านี้ก็คือว่าบางคนบอกว่าเรามีพระวิญญาณแก่ไม่มีพระวิญญาณนะครับผมอยากจะบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเรามีพระวิญญาณทั้งคู่อะครับ แต่ด้วยทิฏฐิและความเข้าใจผิดที่สั่งสอนสะสมมาทําให้คนที่ไม่ได้แสดงออกทางร่างกายนะครับก็กลายเป็นคนที่ไม่มีพระวิญญาณและคนที่มีการแสดงออกทางร่างกายมากก็กลายเป็นคนที่มีพระวิญญาณมากจริงๆมันไม่ใช่นะครับเรากลับมาดูครับเรื่องการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณคน บางกลุ่มเนี่ยครับก็มักจะเชื่อว่าการรับบัพติศมานั้นเป็นประสบการณ์ที่สองหรือก็เรียกว่า second experience เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะถือว่าตอนที่รับเชื่อนั้นนะเขายังไม่ได้รับบัพติศมาอันที่จริงแค่ว่ากันตามพระคภีร์นะครับเราจะพบว่าการมีประสบการณ์แรกกับประสบการณ์ที่สองที่เรียกว่ารับบัพติศมานั้นก็คือ มันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ต้องแยกหรือถ้าจะแยกก็แสดงว่าเราเน้นนะครับจุดเน้นเราเนี่ยนะครับเราเน้นกันคนละอย่างเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าทั้งสองเป็นสิ่งเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าการรับบัตรสมาด้วยเพื่อนยามสุดนั้นต้องแยกออกจากการันเกิดใหม่นะครับตรงนี้เองนะครับผมไม่อยากจะถกเถียง แต่เราก็ต้องไม่ถกเถียงกันหรือเป็นศัตรูกันด้วยข้อความตรงนี้แยกหรือไม่แยกนะครับผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนนั้นมีการรับแบบสิมาฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียบร้อยไปแล้วตอนที่บังเกิดใหม่พี่น้องครับการพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องที่ไม่ได้เป็นอยู่ในความเชื่อแนวแนวเดียวกับผมนั้นต้องเป็นศัตรูกันแต่ เราต้องศึกษากันและกันและเราจะเข้าใจกันและกันว่าทำไมเราถึงเชื่ออย่างของเราและทำไมพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งเขาถึงเชื่ออย่างของเขาผมใช้คาว่าพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกันเพราะนี่คือการเน้นความหมายหรือให้ความหมายพระมภทีที่อาจจะแตกต่างกันและการมีประสบการณ์แตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าเราจะแตกแยกกัน พี่น้องครับเราควรจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตคริสเตียนหลังจากที่เราเชื่อและเราดําเนินชีวิตคริสเตียนของเราเป้าหมายของเราก็คือไปสวรรค์ครับและการดําเนินชีวิตคริสเตียนของเรานั้นมีผลต่อการที่ทําให้คนอื่นนั้นรับเชื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้คําแนะนําปรึกษาคนอื่นจริงๆแล้วเราต้องมีประสบการณ์เราจะสามารถแนะนํา และสามารถที่จะให้คำปรึกษาคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเรื่องพระวิญญาณบริสุทธ์ก็เช่นเดียวกันครับถ้าเรามีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธ์ประสบการณ์ถึงการทรงนำประสบการณ์ในการที่เราอธิษฐานและพระวิญญาณบริสุทธ์นั้นประทานความมั่นใจประสบการณ์ในการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธ์ในชีวิตของเราในแต่ละวันประสบการณ์ที่เราจะใช้ของพระฐานของพระวิญญาณบริสุทธ์ในการขยายแผ่น ด, ดินของพระเจ้าสิ่งต่างเหล่านี้ครับ จะทําให้เรามั่นใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสถิตยอยู่ในเราจริงๆโรงเคลื่อนไหวโรงทรงขับเคลื่อนชีวิตของเราโครงทรงเจมิมหรือแต่งตั้งชีวิตของเราให้เราไปทําบางสิ่งบางอย่างโอยนับการเจิมจากพระวิญญาณก็เป็นเรื่องที่สําคัญและเราจะดูเรื่องนี้ในภายหลังเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับว่าการรับบัพติศมากับการบันเกิดใหม่สําหรับผมแล้วนั้นเป็นเรื่องเดียวกัน แต่การที่เราจะมีประสบการณ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในแคปเตอร์ในบทต่อๆไปหรือในช่วงต่อๆไปของชีวิตเราจะใช้คําว่าเราเติมเต็มรับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแต่ถ้าหากว่ามีพี่น้องบางกลุ่มหรือพี่น้องที่รักได้เชื่อว่าการรับปริสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็น second experience ก็ไม่เป็นไรนะครับเรายังเป็นพี่น้องกันได้ เราจะเชื่อในเรื่องนี้หรือจะเรียกนะครับวอดดิ้งในเรื่องนี้แตกต่างกันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่สลักสําคัญที่จะทําให้เราไม่ได้พบกันบนสวรรค์เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าความเชื่อตรงนี้นะครับเป็นเรื่องย่อยครับเป็นเรื่องไมเนอร์ที่เราจะพบกันบนสวรรค์ได้ทุกคนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเรียนรู้จากกันและกันบางคนบอกว่า ยิ่งฟังมากยิ่งปวดหัวผมอยากจะบอกกับพี่น้องหนุนใจพี่น้องครับว่าเมื่อเรารู้จักคนอื่นนะครับเราก็จะรู้จักตัวเราเองดีขึ้นในขณะเดียวกันการที่เราจะเข้าใจคนอื่นเราก็ต้องเข้าใจตัวเรเองให้ดีขึ้นและเราก็จะสามารถเข้าใจคนอื่นได้พี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในในการที่เราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติรับใช้กับพี่น้องต่างคณะ <c oughs> หรือมีความเชื่อที่ แตกต่างกันแต่ยังอยู่บนหลักข้อเชื่อหลักเดียวกันครับแต่เราต้งระมัดระวังในการที่เราจะไม่มีสามาัคคีธรรมกับคนบางคนที่เข้ามาแล้วสอนผิดในการเดียวกันครับเราจะต้องไม่มีสามาัคคีธรรมกับกลุ่มรัฐที่เทียมเท็จซึ่งสอนเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่พระเจ้าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าสิ่งนี้สอนเทียมเท็จแน่นอนครับเมื่อเทียมเท็ดปุ๊บต้องไม่รับครับพี่น้อง ต้องยืนหยัดมั่นคงเราจะไม่มีสามัคคีธรรมกับคนเหล่านี้แต่เราจะพยายามที่จะให้โอกาสเขาให้เขาได้มีโอกาสกลับใจใหม่และเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นหลักข้อเชื่อเรื่องเตรีการรูปภาพนั้นเป็นเรื่องที่สาคัญมากถ้าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าแล้วแล้วก็พระองค์ไม่ใช่พระผู้ช่วยรอดหรอกครับและพระองค์ไม่สามารถเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ ขอพระเจ้าช่วยและเสริมกำลังที่น้องที่รักทุกท่านในการเข้าใจความล้ำลึกในเรื่องหลักข้อเชื่อฝ่ยยายวิญญาณบบิสุดเพื่อเราจะมีชีวิตในวิญญาณบริสุดอย่างถูกต้องตลอดไปอาเมน